อันธมยังรัตนาตยปนามาคาทายโยเจวะสังเวขาปริกิตนาปาทันจะพนามาเสนูโตสุสุโทกรุณามานนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหันโน โยจันตสุธะพรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกั ส, สะปาปูปากิเลสขาตะโกเป็นผู้ข่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหามาทะเรณตัง ข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปบิยะตัสสะสัทธุโนโพระธรรมของพระาศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีตโยมัคคะปากามัตตเภทพินโก จำแน่ประเภทคือมากผลนิพพานส่วนใดโลกุตตะโรโยจตะทัะทธิปะโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันธามิธรรมังอาหามาทเรณตัง ข้าพระเจ้าว่ายพระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเคตาพยาติเขตาสัญโตพระสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยธิทัสัญโตสุขานุโธทโก เป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคต์มูใดโลลปะหิโนอริโยสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลขเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามีสังขังอาหะมาทะเรนาตัง ข้าพระเจ้าไหวพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟือ้ออิเจวเมกันตาพิปูชเชนัยยกังวาทุตยังวันทยายตาปิสังขาตังปุณยังมายายังมะมะสา พ, พุปปัตถวา มาห้นตุเบตัดซาปพาวสิทธิย า, าบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนไตรยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทําแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ ขออุปัฏฐวาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทตาทาัคโตโลกเกอุปันโนโพระตาทาก็เจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อาราทังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจาเทสีโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุก อุปสมิโกปริณิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโธทัคามีสุขตาปเวทิตโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ มายันตังธรรมสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุขาแม่ความเกิดก็เป็นทุกชาราปีทุขาแม่ความแก่ก็เป็นทุก มาระน้ำปีทุกต์ขังแม่ความตายก็เป็นทุกข์โศกปริเทวทุกขโทมานสุปายาซาปีทุกขังแม่ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ อปิเยหิสัมปโยโคทุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อิเยหิวิปโยโคทุโคความพรัดรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยำปีชังนลภพติตามปีทุขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุ ป, ปาทานะขันธาทุข่าว่าโดยย่อปปาทานขันทั้งหาเป็นตัวทุกข์เสยยทีทั้งได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปปปฏฐานคันโทคันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาฏานคันโทคันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาปัฏานคันโทคันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา สร้างขารูปาทานะคันโตขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานะคันโตขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสร้างปาริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรูปปาทานขันเหล่านี้เอง ทารมาโนโสภะควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพาหุลังสาวกเกวิเนติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก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 รู ป, ปังอนิจจังรูปไม่เทียงเวทนาอนิจจาวทนาไม่เทียงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เทียงสังขารอนิจจาสังขารไม่เทียงวิญญาณงอนิจจังวิญญาณไม่เทียง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 วิญญาณนังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสาเพสังฆาราอนิจาระสังฆานทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสาเพธธรรมอนัตตาติธรรม ท, ท้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินนามหา พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชารามรณีนาโดยความแก่และความตายโซเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานาศเซทิอุปายาเซหิ โดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายทูกโคตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทูกคาปาเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว อาเปวนามมมาสเกวรัสทุกขคันทัสสะอันตากิร ah ิยาปัญญาเยธาติทำชนัยการทมที่สุดแห่งกองทุกทั้งสินนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ จีระปาริณิพุตังปิตังภะกวันตังอุทิศารหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพานานแล้วพระองค์นั้น สัทธาค า, าราสัมม า, านาคาริยัปปัจจิตาเป็นผู้มีสัตธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัดสมิงพระควติปรมาจาริยังจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรมจรร์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พีคูนางสิกขาสาชีวะสมาปันาถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเรียงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนโปรมาจาริยังอิมัสเกวรัสัถุขคันทัสอันตากิริยายสังวัตตูขอให้ปรมจันทร์ของเราทั้งหลายนั้น จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทินจีระปาริณิพุตมปีตังภควันตังสารังคตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปาริณิพานานานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรารณา ทร ม, มันจะสังคันจ้าถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัดสะพักขวะโตสาสนังยาธาสติยาธาพลังมานสิกโรมาอนุปปติปัชามาจากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปัติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสเกวรรสทุกขคันทัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิน